พระหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงคุณพ่อมนนามชายุนอินต้มของลูกท่านตายไปเมื่ออายุแปดสิบสองปีสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นช่างไม้เก่งมากเสียค่ท่านเคยสร้างอะไรสร้างลงสร้างหอศุดมนให้แก่วัดสร้างโรงเรียนให้แก่วัดสร้างช่วมให้แก่วัดโดยไม่ได้คิดเงินเลยแม้แต่สตางค์เดียว บัดนี้ท่านก็ตายไป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นคนบ้านเดียวกับหลวงพ่อซะด้วยคือสุพรรณบุรีเอ๊ะหลวงพ่อสุพันณเมืออ่ <c oughs> อไหรเนี่ยเจอสุพันเออเมันสมัยเราควมีแค่เด็กชายอ้าวทำไมกันแน่ตอนโตไปอยู่ที่อื่น<อ>ไปโตที่อื่นยอยู่ไม่กี่วันแต่สมัยยังสุพรรณไม่มีเลยแต่หลวงพ่อมีหลวงพ่อก็หมาแม่ก็หมา อท่านี้พันแด้สุพันแท้ลพี่หน้าเราพี่สะเทศล้อจริงนะเป็นความจริงนะก็บอกอะไรพ็อก็หมาแม่ก็หมาหมาก็หมดเลยพ่ก็หมาแม่แม่ก็หมานีก็หมาหมาหมดบ้ากันใช่ไหอันนี้ไปพบพี่โน้น วัดโครานเลยทวัดรครานับครับไปไ<ว><ว>หนหลวงพ่อครไปเด็กคือมีสามคนในเกษตรแ่จะมาฟังเทศยกใครทีสร้างก็มาฟังเทศใช่มเพรานั้นยังไม่ใช่เกษตรแม่แกใครหูมาเลยบอกาขามใครบ้านล่าพอก็หมาแม่ก็หม า, าหมาหมดบ้านเลยค่ะอ<ว><ว> เ, เออมเรื<ำ>่องจริงสำสำังเขาไปยานั้นเองนะ ไม่นี้เรายกทรงก็มาหน้าเราเชื้อเก่ายังติดอยู่อมากงดเลยได้กล่าวน้าต้องเดือดพันอ้าวแต่นี้ที่พราจะถามก็คือว่านี้ว่าการที่ช่วยเหลือสร้างหอสศตรก็ดีครูติกก็ดีห้องช่วยโรงเรียนงฆก็ดีอ่าผู้ที่ตายไปอย่างนี้จะได้มีพภาระอนิสงส์อย่างไรประการใดดีไม่ถือว่าร่วมในการสร้างวิหารรัชาน โอ้เพราะนเนเลยนะครับถ้าใส่กระไรนงอนเข้ามาแรงงานก็เหมือนเงินใช่ไหมปราจักก็อย่างกับนายช่างของอะไรท่านมาข้ามานัอว่าผก่าผู้สูงารเพิ่มเยอหเลยนั่นนายช่างเขาตายไปแล้วเขาม่ยืมเงิอยู่เป็นเวดามนามวิชวลกรรมที่ประมุขทราบรับแต่ถ้าช้างพุ่ยลากพุ่ยหิ้ว ทางหิ้วอะรก็ยกเลยยกแล้วก็หิ้วเขาลองแรงแรงไปก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพปรุมีมาอยู่คือคนนี้ท่านหนึ่งคนท่านก็ต้มีมมาอยู่คาว่าเอราวัณไม่ใช่ไม่เคยเป็นเป็นช้างเหนก็ใช่เอราวัณเป็นเทวดาเวลาอินต้องการช้างก็แปลงเป็นช้างเลยในสมัยที่อยู่ในมนุษย์ช้างหัวเดียว เขาเป็นเทวดาไปสร้างสามหัวทำไมโผล่ดอกเบี้ยวันใสองหัวหัวงอกหัวมันออกตกลงกานเลี้ยงไปนิดแก่สร้างเราเองแล้วก็ในราก็มีสระน้ำสระน้ำก็มีต้นบัวดอกบัวดอกบัวก็มีหลายดอกแต่จุดบานออกมามีนางฟ้าถูกไปเกิดคนต้างรั แสดงว่าเป็นช้างตัวใหญ่มากแล้วก็หัวคงจะใหญ่พิเศษนะไม่รู้ไม่เคยเห็นน่าตมบรีว่อย่างนั้นกราบกราบเป็นมิจฉุนิษฐเอ่ออย่างนั้นก็พอเขาที่ตายก็คงจะมีอายุสูงไม่มีปัญหานะอาจจะคิดว่าลรเป็นอัไรีหาลพานนะีหานโอ้กรับกลับลาเท้าหลวงพ่อจุกหลบอย่างสูงวันอาทิตย์ที่16กสิงหาเวลาเก้านาฬิกาห้าสิบเ็ดาทีนี้ ลูกได้ทำพิธีบรรจุบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสงวงพ่อโดยบรรจุยังเต่าไปนี้หนึ่งเอาแผ่นทองคำไว้วางพื้นล่างเอาสมรีจุ่มน้ำมันวางชั้นกลางแล้วเอาแผ่นทองคำปิดชั้นบนแล้วจึงวางบรมสารีริกธาตุเวลาวางนี้เปิดเทปหลวงพ่อบอกว่าขอหลวงพ่อจงทาพิธีให้ลูกได้เจริ เทปเบางั้นเลยเขาเขาคจะบอกแล้วคนจะวงสวงหลอกเทปมาหลอกใครได้ต้องโดนเป็นอรที่เขาทำมาทั้งหมดนี้จะถูกป้องขาดตกบกฟ้องอย่างไรขอหลวงพ่อแนะนำเพว่อแนปฏิบัติที่ถูกต้องขาดอย่างเดียวอะไรหลวบพ่อไม่ได้ส่งกระตังมาฉันขาจ้างอาดยากรูนะด้วยไม่ว่าถูกต้องที่อย่างนะไม่อะไรไม่มีอะไรมากครับ กรพูดถงเงินแท้ทวงสวนนี่อย่างนี้เดี๋ยวนี้คนเยอะก็ตั้งสามภัมกอุนะเขาสบายไม่ต้องทำอะไรมากเลยถึงก็บอกตอนนี้ไปขอเติอนหลวงพ่อที่ว่าสา้าคุณใครกำเนินการเป็นพิธีกรดังต่อไปนี้แล้วก็เปิดแล้วก็บอกว่าเรื่อยเรื่อื่อื่อเาได้แต่ไม่รู้ให้พ่อของสาวขาได้เป็นพันนั่นก็ให้เขาว่าให้หรครับให้เขาไม่ได้ให้เงินหรอกถ้าให้อะไรก็เขาจให้ช่วยจ่ายไปเลยในตัวเส็ เขาได้เทไลเข้าใจ่ายอะไรดูของเขาเขาจ่ายแชร่นี้และวโอ้โหจากแต่ก็นาประกันมีอลายหนึ mm ่งเขาบอกว่าตัวจะน้อยหน้านะแต่ว่าที่อื่นเขามาทําแล้วเขามีผลปล่อยได้เขาก็บอกว่าลวงพ่อในฐานะผมเป็นลูกศิษย์ถ้าจะให้ลูกศิษย์อัมพายขายที่หน้าแล้วก็ผมสงสัยว่าที่ผมจะเลิกเป็นลูกศิษยแน่ขอหลวงพ่อมีผลต้องพิดหน่อยแล้วกันนะเป็นไปได้ครับตอนนั้นนะไม่มีอะไรผนตกเหมือนกันโอ้โหผตกเหมือนกันนะ เขาหังเขาลงมากสิอโอ้ <c oughs> จะไปเสีย่ายคนมาจ้างไฟแล้วเพราะเขาจ่ายเขาเป็นหมื่นเลยมันมันหักไปไนรู้หลือห้าร้อยบาท <c oughs> <c oughs> นะไอ้นี่ก็เป็นระเบียรบระเบียบอะไรก็ระเบียบการหักานส่ว <c oughs> ร, รับมาคนรับเขาต้องเจ็บเป็นมากพระรัผิดชอบมากโอ้คนไทยไม่รับผิดชอบอะไรแค่ห้าร้อยเราพออย่าพูดตรงนี้นะสุภรียะ พูดถึเรื่องเทนี่นะเสมาานกรรมฐานที่หลวงพ่อบอกปุริมจิสังราชานะท่านเป็มีร้านค้าร้านขายนะถ้าเปิดสะเาเลยนะเสร็จสูเสเียงเสร็จแล้วก็ลราเปิดนะแล้วสังเกตได้เลยการค้าดูยกทรงเป็นตัวอย่างื่องมันไม่เกแหววันนั้นเกรงหน้าดเนาะมดมงยับงมาจะหายจะไปยไป เขาลงไปนะ er ouais> ้วตว่าจะช้าแบบสบายๆตัวว่านิว่าจะไม่ร้อยตัวจะไม่เขาผิวไม่ได้ร้อยแปดจบยากได้เยอะๆแล้วได้เจ็ดสิบบาสบายขาขาหลวงพต้องว่าแบบสบายสบายแบบเนตไน่จะไม่รู้ทันนะอ้าวแล้วลับเอวางกิ่งมันนิ่งฟ้าไม่ต้องเจบ มันไม่เปไรแเงินลนะืมแล้วพระเดิี่เราสร้างหกสิบสี่งองค์ครบับก็คิดว่าเจ้าภาพมียังไม่ครบที่ส่งเงินเลยนะรา บ, ราบครับุิจาก็เลยถามคนคุมก่อสร้างเขบอกญาติโยมที่ส่งเ <90 S 3> งินไปครบจริงๆละเก้าสิบคนเก้าสิบองค์ก็เลยต้องไปสร้างใหม่ที่หนึ่งโอแ้แล้วก็มัไม่หกสิบี่ใช่ไหมขาดยี่บบสิบหกใช่ไหมเราสร้างใหม่หกสิ เป็นการทดลองเพว่ว่าใครจนมาใหม่ใช่ไหมถ้าพระดีทรงยังไม่ทรบมีเอกเว่าสร้างใหม่หกสิบองค์หกสิบองค์นะฮะคือว่าไปสร้างที่ยี่สิบไร่อะยี่สิบไร่อคือแม่คิดว่าจะสร้างเท่ากับหกสิบองค์ตกกลางีนเราคือไปจาคเจ้าท่านแบบสร้างถึงหกสิบองค์ก็แล้วกันถ้าไปดูที่กันพอดีหกสิบ นะครับดีเลยนะสร้างส้างปีนี้ลงวดหน้าแค่ปีหน้าครับสร้างปีนี้ลงวดหน้าโอ้เอ้ียดดิใจัลอนเลมันพันกันจริงจริงเลยเลยมันงงดหน้านลยใช่ต้องใส่จะติดกองชานเลยนะใช่อย่างนี้ก็เป็นโคตรโคตรชานโอ่ ้นละหว่างกลางใช่ไครัพูยังไม่แน่นอนขึ้นยังไม่ขึ้นลงลงกินทุกวันเอ่อวิธีอะไรกันวดนี้แค่6กพืวนตัวโอ้แล้วดหน้าแปดพื้ตัวแล้ววดนอนสาวตัวแล้ววัดน้อยตัว ไปถ้ารถที่จะไปพอปักเมินใช่หน่าเือหวยยิ่งดี่เช่อสิเอ่อเอลินเลาโยมไม่เยอะนะเดี๋ยวจะถูกยังตัวอีกเอาละกลับนะฮะเสร่อความสบายใจอันนี้ต่อไปก็เออพี่ขับเวลาตั้งใจวันทีเวลาตั้งใจให้ไม่ใหยนะ อย่าลืมมาบุญท้งหลายที่ทําด้วยนะเอาคืนพระดำริเอาโอ้คือว่าแต่ทําไมจะให้จะว่าส่วนที่ดีโส่พุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณดวงกันดวงใหญ่ที่ก็ทําไว้มีกําลังสูงสมัยจะไม่ให้ไอการให้เป็นเป็นธรรมทานกราใช่ไหมใช่ๆอย่าลืมวมาตัวให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์พระตูทานบริสุทธิ์เอาตอนนี้บริสุทหมดคนทุกคนเวลาไม่มีสิ่งทุกคนเข้าบริโภอ มีสิ่งแรกสุดปานธรมาที่มาแลกโดสุด่ากใช่ไหมโชรับก็โดยสุดก็ยังไม่กไปไหนนพราะว่าโทว์ทานคือธรรมทานก็เป็นโดยสุดเป็นธรรมทานทานสองสุดถ้าเราไปเรื่องธรรมทารโดยรวยรวยรสดีมีสดแต่แ่คนนะอืมรวยมากมากสดมีแต่แย่ยรวยนะคือข้าน้าเข้าไปหนึ่งร้ยเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าสกัง สร้างบุทโธหกจุดองในสามังปีบาทที่ทัห้สาสตางค์ต่อยุโลงพ่อในหนึ่งร้ยสี่สิเก้าบาทห้าสิบสตางค์ท้างริยาิหาราร้0ยเมตรสองร้อยบาทเจ็ดัห้าสตางค์ลองพัดยศดวยหนึ่งร้อยิบบาทห้าสิบสางค์ทำบุญพระพิธีพระพุทธเจ้าสองร้อยห้าสิบาทเจ็ดัห้าสตางค์ เอาไว้ต้องปูกปานหนึ่งร้อสิบเก้าบาท2ี่สิห้าตางค์ทำาลงหลวช่อสี่องค์หนึ่งร้ยแปดสิบห้าบาทห้าสิบตางค์จำนว่นี้สองสองร้อยสามสิบหกบาทบดมสี่9ิบเก้าบาทห้าสิบตางค์รวมแล้วทั้งหมดกกไปเืียมายกตรงนะได้สี่พันห้าร้อยหนึ่งบาท2ี่สิบห้าตางค์ก็หนึ่บาทเองตอนนี้จะอะไรกินเลย เฮ้ยสำหรับคุณมาเสดลอกบุญคุณมาเสดเพื่ประจำไม่เชี่ยวไปเชอมานะตอนหนึ่งจ้างฐานแพ็กได้หนึ่งพันเก้ารสิบาบาทเจ็ดสิห้าสตางค์สองลงสินค่าเลยสองพันดรอหบดาทห้าสิา 2, บาสตางค์เฮ้ยเลี้ยงชงสาบอันน้มาสองนเจ้หบบาทนะห้าสิสตางค์โอเค้อทันอะไรอ่ะ สองพัน้ยหบาทมันต้องคิดเลยข่าวข้าขาวแต่ไว้กินไว้กินแล้วก็ติดทองพระพุทธรูปเก่าไยสองด้2ยยีสบองบาทห้าสิบร้างรับประเจ้พระเจ้าได้4ือพี่บเก้าบาทห้าสิบังแพงวิหารร้อยเมตร 3,400 ันสี่ร้อย ห้าสบาทห้าสิบเเดสิสพาร้กบาทสตาง่าจดสิบานตาะบาทส่หาันเารกบาทสา์ตสงานึ่งหอยบาท้สบเ์างวิหารเมตร ที่เจ็บกัพคี่าสิบอบาทสร้างคไฟริยะบูชาพระทธรรไัร้ยสิบก้าทิบห5บาท7จบาต่อรถพวธรรมทานสั้างรดแอรอรกระสอและเก่าด้วยส9มบาท50้าสบาบาท้าสบาง์สนักเรียนยากจนน้ำท่วม 3,553 ั้าร้อบาทยี่บาสตางค์ ดอกไม้ดวงสวง2 5นสบาทเจส้าตางค์ค่าธรรมนกระานผ่านลาันง3286บาทติดแอร์ช่องเยะนยี่ห้ยหาร้อยเมตร 2,8 งพดร้บาทห้าสตางค์่นชงกำลังไฟฟ้ารั่มตีน้ำมันามัน3 7สสบบาทยีาสตางค์ หมดเงินลบวหมวดกีบมดสุดห้าพันแดสิบเบาทห้าสิบางห้านทองคาทันน้ามนต์ภาษาเกหร้อยเจ็บาทห้าสิบปาบใส่บาทหลวงพ่อ3ามส้อบาทเรวมตั้งแบบที่ชุณกเสริฐบอกบุญมาตั้งแต่วันต้นนัองบาแล้วสุดท้ายอยู่นะ แต่คือนี้ยังไม่ได้เรามารวมได้หนึ่งสนหนึ่งืสี่พัสองร้อยห้าสบกบาทศูนศูน์่าตาังว้ายจะออกนะเฮ้้ยเบินเลยเบินเบินจ้ะถ้าต่อไปยกโซนคาตัดติดเชื่อมเหมือนเรื่องได้แล้วจ้าพ่อขอแท็กนะเสร็จแล้วจัาเอะดูดเลยจ้ามาพการหลวงพ่อที่เครพอย่างสูง ยูกได้บนพระสี่องค์วัดท่าสงไว้ว่าถ้าสำเร็จจะบนบวดในถวายหนึ่งองค์ปฏิี้ได้ผลจปเยอเรียบร้อยแล้วลูกจะขอเท่าแบ่งจากหลวงพ่อที่จะบวดในเดือนเมษาจักหนึ่งองค์โดยถวายพันเจ็ดร้อยบาทเยอะคนเขาเอาสองมอื่นเนี่ยนจจะครับใช่เฉพาะรายนี้เนี่ย เอ้ส oh ุภาพเริ่มเงินเจ็ดพันโอ้สนได้กันนะโวยรวยใช่ก็ได้ไม่เป็นไรนะเอ้ได้ครับตั้งใจบวชอย่งองนะเดระอ๋อเดชะมาเลยอวยเลยรยโชดีดดีถ้าสมมติคนจะถามญาติโยมจะถามว่าถ้าหนึ่งองจริงๆรเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ครับยังไม่รู้ไม่ใ รเคมลนเนจ่ายเป็นหมื่นเลยแต่ว่าเจ้นี้พันเ็ดร้อการว่าใช้ได้ลยเีมีหากรรวงามืถึงพันก็เอาพันบ่าวมีไม่ถึงพันมี่งแค่หมื่นเดียวก็เอาหมื่นหมื่น้อกับพันเหรอไม่รู้อด่าไอหมื่นไอหมื่นอพันหมืนด่าแดงหมื่นน้อยกว่านีะไปไหนว่าเจ้านี้ใช้ได้นะ รับจิงน่าจะพนะันพันพันเจร้ยห้าสิบาทครับกาข้าวหลวงพ่อที่รับอย่างสูงหนูได้ซื้อรถกระบะบรรทุกสินค้าไว้เพื่อใช้กิจการงานก้าหน้าเงนี้ห อ, หอ โดยตั้งใจจะบูชาผ้าดแดงและรูปห ล, อล่อหลวงพ่อไปอยู่ดูแลรักษาการให้ปลอดภัยในรถโดยจะเปิดแทบสมาทานกรรมฐานของพ่อเ ป, เป็นการนำพิธีลูกตั้งใจจะทําอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเติมต่อหรือเปล่าขอบารมีหลวงพ่อเนี่โปรดแนะนําเพิ่มเติมด้วยเถิดเจ้าถ้าจะเพิ่มนะนมนเพิ่มยกทรงไสยสุญิโสรส้อยแปดจุด นมเอเขาเราะ่าเใชจุดแหลกพอโอ้ยแค่ให้ทอเสร็จนี่ีอะไรที่จะต้องเป็นต้อมีอะไรก็พอแล้วเรื่องของอยากด้ดีีแล้วนะขออะไรอยากแก้เกิดขอให้รถกระบะตรงเจริญใช่ล้ม้ยล้มลุยร้องพ่อเจ้าขาอี่ันแหมไม่ปัญหาแก้ไม่ตกอยู่อย่างเดียวเจ้าขา คูอเวทนาเวลานั่งกรมฐานมันชอบปวดตรงขาหัวเข่ากระตรุ่มหัวไม่พอกมือไอหุ่นพงขาั้งสอง <laughs> ลูกพยายามขอบา ร, รมีพมะพุทธเจ้าก่แล้วตรงขันห้ากันแล้วอะไรอะไรกันแล้วมันไม่ยอมจนกระทั่งลูกไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้ ขอบาร ม, มีหลวงพ่อที่ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังบารมีให้ลูกนั่งต่อไปได้เกิดจะเทาอย่งนะี้ไงฉันก็ปวดซ้นกันนะอ้าวฉันขอเพิ่มปวดให้อีกเท่านึงขอเพิ่มบารมีฉันนั่งเนีปวดทั้งตัว ปวดมากเลยใชไมปวดทำไมจึงยิ้แยงกันสหน้าตาเบิกบานรักในตาใสอันนี้เขาเรยิ้มหมอันโอ้ยิ้มไม่ใ่สองอย่างเหรอใชใช่เขาก็ตอยิ้มพระก็สอนให้ยิ้มอย่างพระเจ้ากสอนให้ยิ้มนะอ้ใชนะหนาวถ้าก็ยิ้มเย็นออถ้าก็ยิ้มมีคนเข้ามาไหก็ยิ้มไม่มีใครให้ก็ยิ้มเงินทิ้งน้ามดอยที่มาจยิ้มเลย เอออย่างะที่สััดไหนเบอกว่าทำให้คนแรงเลยไล่ดีวัดอื่นก็ยืนยืนเต่้เจ้าที่นี้ถ้าเรื่องเลี้ยเกี่ยวกับวิธีที่จะแก้อารมณ์เกี่ยวไปบเรื่องนาที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ที่แก่ไม่ยากถ้านั่งมันปวดก็นอนแค่ขอสมฐานสมาธิไม่ได้หมายถึงนั่งนะครับสมาธิมาที่ได้สีอย่างนั่งนอนยืนเดิน ได้แคสีอย่างให yeah. ้อยากเปียนยาหมดนะได้อ so ย่างนี้ไม่สบายนั่งท่ามัดไม่สบายก็นั่งรับเทียบนั่งรับเทียบไม่สบายก็นั่งยองนั่งยองไม่สบายก็นั่งทุกขเข่านั่งเขาไม่สบายก็นั่งเหยียดขานั่งเหยียขาไม่สบายก็นั่งอี้อยวขาทั้งทั้งหมดไม่สบายนอน องกายก็ได้ได้ทุกอย่างมาทําที่ใจจริจริงได้ทําที่ใจไม่ทำที่ใจนะให้จิตสงบต้องให้แล้วให้ร่างกายสบายจิตจิตสงบเพราะฉะนั้นก็เมื่อนั่งไม่ได้ก็เอาอย่างอื่นก็แล้วกันนะนั่งไม่ได้ก็นอนอนไม่ได้ก็ยืนยืไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็ก้มเลนผมรู้ว่าแกไม่ตกแล้วไปหาหมอโรงพยาบาลตัดสายด่วยปวดต่อมาเถอะเท้าข้าคุณเลยนะ ดาบเป็ี่นริยาบทเข้าเป็นนารายณ์ไดกราบนมัสการหลวงพ่อที่กรรโชกยังสูงลูกขอพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อเล็กน้อยดังต่อไปนี้คือว่าที่ของลูกชอบขโมยของภายในบ้านอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือไม่มีค่าก็ตามขโมยไม่ได้ไปไหนส่วนมากก็ถวายค์พระหมด ก็ฮือมากอ่าอ่าอ่าอ่จะขโมยไปถวายวัดท่าชุงนะอิสรภาพเป็นโนใหญ่เลยทีนี้ฮักจะไม่ดีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือว่าบรรทมชาจะขโมยโสนไปถวายวัดลูกก็ควรจะไม่มีที่ดีที่อยู่อาศัยก็เลยอยากจะขอบารมีหลวงพ่อช่วยแนะลูกเพื่อจะไปป้องกันปัญหาการขโมยของเถียงก่อนโสนขโมยไปก็ไม่มีผลอาหารต้องโอนกัน ในการจะโอนเขาจะประายก่อนใช่ไหมขยายไอ้านรับเปล่าไม่เป็นไรเอาี่บอกให้เขามงคลโมยไปสวรยวัดข่าสูงถึงเนี่ะเจ็บไปให้อ้แ่ค่ารักษาไม่มากครับเท่าไหร่ก็มงมลสองหมื่นอ าขดจไมนเป็นไรก็เก็บให้ดีทีนะะยิ่งใจของมวยได้นะกร้ากล้าตอนจริงคนนี้ก็มีเร์เป็นกุศลแต่ว่ามันกล้าเส้นนี้หนึ่งคือว่าไม่เลยพร้อมกันใช่มกล้ากล้าจริงจังเอยอย่างขโมยของเขาไปทำบุญผลบุญมันจะกระดักกระเดิดเรอย่างนี่นะคนคนนี้นะกล้าเพราะว่าเฉพาะเจตยาที่ปฏิบัติใช่ไหมกล้าถ้ารวมเป็นกุศลป็นปกติ แต้ว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่มันไม่พอแตสกาลังใจที่ทำแบบนั้นนะถ้าตายด้วยกลังใจแบบนี้จะไปสวรรค์แน่ตัวาติมอ้าวยวว้นนี้เล่งจะกว่านิตยานุกรมาะฮะเว้วจนทรอีาหนึ่งวนก็เลย ยัไม่คนจะถามปัญหาเลยยอมให้ร้บาทแล้วยกตรงนี้นาผ้อกปกเปกินปยักงตรงนี้เมราเสือกงถังอะไรเสือกงถังว่าถังทุกคนกงถัอ คือเราคือนักลงทุนทุกทีออกไปไก็ถูกเรียกเปลี่ยนมีตัวเองนะครับเราเราควรจะหน้าไม่ลวมากเราตามทุ่งนะอาบนมิการหลวงพ่อจะกระอย่างสูงที่กระดืออะไรกันได้เงียนะว่าอยากรู้เรียนถามหลวงพ่อดังต่อไปนี้คือว่าเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระจำรานนี่สองนั้น ลก็อยากจะทาแม้จะไม่เป็นไวแต่ว่าอัตขัขัดสนไม่ทราบยลูกทาอย่างนี้ไม่ทราบจะมีผลเหมือนกับเขาหรือเปล่าเจ้อธิษฐานก็สร้างรกำลังนสงหยไ ว, ว้ทะทะไว่าระบาทระบาทระบาทไม่ใช่ได้เลยน ะ, <ว>ะนะใช้ไดเลยตวห้ามมืนมิบาทเดี๋ยวจะใช้ได้เลยนรับก็ยบาทในห้ามืออนหนึ่งในห้าอย่าลืมระดัหนึ่งหลัง าข้าพรลาวสาร่สามคนพระลาหลังเดียวจะได้มันแล้วสาสามหลังให้นพระินะู้พระผู้เ้าะไกันัลสง์ข้าพระเราก็มีโอกได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้นอสละโเลาเนี่ยั้งแข่งเราก็มีมานม่กันเขาเป็นมหาีเราก็มหาวิถีรั้ไยกันนีจะเป็นไรไป เพราะว่ามีนั้นแมมีฝุ่นได้ทากับโอ้ได้แค่เนือ่จะยั็ม่จีกหลายแหมตอนี้ก็ได้่มกลังใจทำไอนรนะออไม่ได้พยายาเอาไทยว่าตัวเองไม่ใช่ไบมเอาใจไม่ได้โอ้คงโงนไป่มาถ้าเ่อเรื่องหวยกโนไปา่าฮ่า่่่า่าตลาก็สบายใจนะแม่บารมก็ได้ หลวงพ่อเจ้าขาเ อ, า อ, อ, อา่เอเยนี่ลูกําลังเป็นตัวตัวอย่างหนึ่งคือว่ามีคนมาบอกยุ่ย่อยเป็นกรรมการบ้างแจกของรีบ้างแต่ก็ไม่ว่าทําได้วศรัทธามากบ้างน้อยบ้างเทนี้ปัญหาก็คือว่าเรื่องใบกีการที่จะรักบางแผ่นก็มีรูปหลวงพิธเจ้าเป็นลกล่างวัดท่าจะเก็บไว้อนอกมากก็เกรย์เพระเราเพื่อจะมาตาม ไอ้ข้าาการไม่คุ้ามก็อยากก็เกรงว่าจะกล้ามากไม่กล้าก็จะทาอย่างไรดีขอคาแนะนาจากหลวงพ่อพระ้งโสภาระนะขอคำแนะนำสักพักสักครั้งสักสักครั้งแล้วใช่ไหมฟังสักพักฟังให้ฉนเยอเลยแล้วสักพักแล้วพักเลยเพรว่าวิ่กันเราเป็นคนที่ถูกพระใช่ไหยหานใจก็ลเราถ้าวุฒิเจ้าเราจะมาถกอไหม ถ้าทำแล้วก็น้ำผู้ก็ส่งน้ำผู้ใช่ไหมในเรื่องนี้หน้าเกินไปเราค่าน้ำผูก็เพินด้วยเจ็บใจก็ไม่เป็นไรอนทิ้เลยเล็กเลเวลานั้นตุ่ยต้องต้องยาอะไรที่เต่าแล้วมันจงว่าพุทันกันยังกัญชาฤทธิ์พังกัญชาฤทธิ์แข็งแขังกัญชาฤทธิ์อ๋อพุติยามติมีมานมากรบ้านเนไป ล้วจุดไฟสงคันพงเชโอเผาไม่ได้เลยได้อย่าตาม่ากแล้วกันนะเราการคัเหยียดย่ำนะนะครับหนมีปัญหาอีกช่วงช่งโบราณอย่างกันหนอกฮะทำไมเห็นพระพุทธเจ้าไปนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยหน้าสูสางนั่นะแล้วก็เลยเห็นเงินงินโต๊ชอ่าพระพุทธเจ้า เขาไ i เจ้าเขาไปจงเลือกสุน่ับ